ใครจะเคารพแล้วไม่เคารพก็ไม่เป็นปัญหาเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันลคืนไม่โอนเอียงเข้ากับโลกาที่ปไตยไม่โอนเอียงเข้ากับประชาธิปไตยเป็นธรร ม, มาร์ที่ปัตจัยไม่ไปทางไหนทาไมจึงปฏิบัติสิ่งธรรมเพราะมันมีกิเลสอยู่ ถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่ต้องปฏิบัติสินธรรมพวกท่านที่เป็นพาาระอรหันต์ไปแล้วก็ไม่ได้ว่าท่านเป็นมาแต่ในท่อก็ต่างคนต่างมาปฏิบัติเอาตามทัิกําลังของไกรของมันจึงสําเร็จพาาระอรหันต์จึงพ้นจากโลกไปจึงพ้นจากคะเลหลงของตนไปถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นข้าเป็นธาตุทะเลหลงของตนอยู่ทุกท่านทุกคน เพราะฉะนั้นจึงมีพระพุทธเจ้ามาในโลกไม่ขาดยุกไม่ขาดสมัยทำเวนัยของพรรมศาสดาก็บัญญัติออกไปจากมนุษย์ออกไปจากใจทําไมจึงมีเรื่องมากก็เพราะกิเลสของเรามากก็ต้องมีเรื่องมากถ้ากิเลสของพวกเราไม่มีมากเรื่องก็ไม่มาก กิเลสมันเกิดขึ้นจากใจถ้าดับมันก็ดับลงที่ใจถ้ารู้เท่าใจตอนไหนก็รู้เท่ากิเลสตอนนั้นถ้าไม่รู้เท่าเท่าใจตอนใดก็ไม่รู้เท่ากิเลสตอนนั้นบ้านเมืองของเกศสมอรภูมิของเกศก็คือใจถ้าไม่มี ใจจิเลสก็ไม่มีที่อาศัยผู้ที่จะยอมตัวปฏิบัติสินธรรมก็คือใจทำไม่ได้งองอนใจเลยถึงจะไม่มีใจทำก็มีอยู่พระนผพานทำรรใจจัดเป็นสังขารเป็นจิตตาสังขารความไปความอยู่เป็นของภายนอก จะไปไหนอยู่ไหนก็อยู่ตามสติกำลังในธรรมะของพระบรมศาสดาเขารักธรรมะปฏิบัติธรรมะเท่านั้นา ก, การไปการอยู่เป็นของภายนอกอยืนเดินนั่งนอนก็เป็นของภายนอกตนก็เป็นที่พึ่งของตนทมก็เป็นที่พึ่งของธรรม ทำในฝ่ายบาปก็เป็นที่พึ่งของบาปทำในฝ่ายบุญก็เป็นที่พึ่งของบุญทำที่เป็นฝ่ายมรรคผลนิพพานก็เป็นที่พึ่งของมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวถ้ามาอันว่าทำทั้งหลายทรงอยู่มีอยู่ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้แลวไม่รู้ทำทั้งหลายก็มีอยู่ทรงอยู่ไม่ลงธรรมาทเลยไม่ได้มีเอวัง ไม่ได้เข้าข้างผู้รู้และผู้ไม่รู้เป็นจริงอยู่ไม่มีกลวันกลงคืนกรรมและผลของกรรมของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกวันกลงคืนตามสัตว์อยู่ทุกอิริยาบถของจิตของใจในโลกมันไม่ไม่มีที่อยู่ถ้าโลกมีที่อยู่พระทหารก็ต้องอยู่ในโลกไม่เข้าสู่พระนิพพานละเพราะมันไม่ไม่มีที่อยู่มันมีแต่ล้วนฐานเพลิง เพิงแก่เพิงเก็บเพลิงตายถ้าไม่มีทุกข์หนทางก็ออกจากทุกข์ก็ไม่มีที่พระบรมศาสลาค้นพบกว่าพราะมันมีทุกข์มีมืดแล้วก็มีสวา่างมีโง่แล้วก็มีฉลาดมีหลงแล้วก็มีทางปัญญาท่านมองเห็นอย่างนั้นท่านจึงสร้างว ร, รมีมาสี่อสงไขยแสนมหากับก็มี แปดอสงไขยแสนมหากับก็มีชิพกอสงไขยแสนมหากับก็มีเป็นพระสมาัมพุทธเจ้าแต่พวกเราไม่ได้สร้างบารมีถึงขนาดนั้นเพราะไม่ปราฏนาเป็นพระสมานพุทธเจ้าปรารฏนาเป็นสาวกสาวิกาก็พอแล้วกรรมใดใครกาะก็ตนเป็นผู้ก่อกุศลกรรมก็ตนเป็นผู้ก่ออกุศลกรรมก็ตนเป็นผู้ก่อ อยู่กับตนมดไม่มีใครมาแย่งเอาของใครของมันทำดีก็ไปบวกดีที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วที่ใจเป็นธาตุของกิเลสปลดธาตุังไม่ได้พระสวดาบาลปลดไปแล้วพระตะกตาคามีเ็พปลดไปบ้างแล้วเป็นเอกเทศ พระอนาคามีก็ปดทาตไปแล้วว่าพระอรหันต์ปดทาตหมดแล้วปฎทาตของกิเลสปดทาตของความหลงเกิดมาในโลกประสบพบเห็นต่างๆสารพัดถ้ากิเลสมีมากก็พบแต่สิ่งที่ไม่เป็นมงคลถ้ากิเลสมีน้อย ก็พบสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นมงคลมันก็เป็นมงคลอยู่ที่ใจไม่เป็นมงคลมันก็ไม่เป็นม ง, มงคลอยู่ที่ใจส่วนธรรมทั้งหลายของพอราหมศาสตราเป็นของกลางอยู่ไม่ได้โอนเอียงเข้าทางบาปและทางบุญบาปก็เป็นจริงอยู่พอบาปบุญก็เป็นจริงอยู่พอบุญบาปและบุญไม่ได้ประหาคนไม่ไปแย่งชิงคน คนไปหาบาปหาบุญต่างหากหรือสัตว์ทั้งหลายไปสร้างเอาบาปอาบุญต่างหากมรคนี่พ่านก็มีอยู่ตามเป็นจริงไม่ได้งอได้งอนให้ชาวโลกไปบาปก็ไม่ได้งอได้งอนให้คนใดไปทําผิดบุญก็ไม่ได้งอได้งอนให้คนใดไปทําบุญก็ค่ายกับน้องน้ําบาปก็ค่ายกับไฟไฟก็ไม่ได้งอได้งอนหรือไม่ได้เชิญให้ไปจับแต่เมื่อผู้ไม่รู้ก็ต้องไปโดน เราทั้งหลายไม่รู้ก็ต้องไปดูนส่วนจะถูกน้อยหรือถูกมากก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่และลายของบุคคลพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพ涅槃แล้วบาปก็ยังมีอยู่บุญก็ยังมีอยู่มรรคผลนพานก็ยังมีอยู่ไม่ได้เอาไปด้วยถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกลําบากเหมือนกันนี่มีดิงอยู่ในโลกนะมี่พระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลก ศาสนาอื่นๆเป็นเมืองขึ้นของดิ่งอันนี้ของพระพุทธศาสานาเพราะพระพุทธศาสานาเป็นพระพุทธศาสนาประจำโลกแต่ชาวโลกขี่โกงไม่น้อมหน้าเข้าหาพระพุทธศาสานาต่างหากเพราะเหตุใดเพราะเห็นว่าบารามียังอ่อนอยู่ก็บรรดาไม่ให้เย็นดีบรรดาลมาให้เรือมใส เราจะไปหาเที่ยวเลื่อมใสคนในโลกเราจึงจะเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเราเข้าใจว่าเราเห็นธรรมมันก็ไม่ถูกถ้าไม่มีผู้ประพฤติทธรรมในใตโลก่าตุเราจะประพฤติไหมเราก็ต้องประพฤติทธรรมในใจของเราทำท่าทำทางมาได้ก็ทำในใจจึงเป็นผู้เห็นธรรมผู้เห็นธรรมย่อมไม่ไปตามคน ต้องไปตามดิ่งพระพุทธศาสนาเรียบเหมือนบรรทัดเรียบเหมือนดิ่งเหมือนกันจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่รบเรียนไปทางไหนใครจะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนว่าตรงก็ต า, ามข้าพเจ้าก็ตรงอยู่ถ้าจะรวมยอดลงมาก็ไม่มีมากพระพุทธศาสนาก็ไม่น้อย น้อยก็น้อยลงที่ใจเรานี่เองอบายามุกเป็นของสําคัญมากต้องวางอบายามุกเสียก่อนถ้าไม่วางอบายามุกก็ไม่เห็นทำละเพราะอบายามุกก็มันปิ ด, ม, ปดมันปิดสินธรรมของพุทธมามะกะถ้ายังมัวเมาในอบายามุกอยู่ก็ไม่เห็นทำพระพุทธศาสนา ก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอันใดเป็นหลักของจิตของใจการคลองชีพก็ไปไม่ไหวถ้าอาการกองเชีพฝืดเ ค, คืองก็ฝืดเคืองเพราะอบายมุขเกียรข้านก็เป็นอบายมุขหาเสนทางไม่ชอบก็อบายมุขชอบโกงก็อบายมุขอบายก็แปลว่าทางไม่เจริญมุขขะไม่เจริญ อ, อยู่ซึ่งหน้าซึ่งปาก สี่ห้าข้อเป็นของสําคัญมากแต่และข้อละข้อก็คือพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์พระองค์นั่นเองไหว้พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ก็คือศี่ห้าข้อนั่นเองศี่ห้าข้อรวมลงมาเป็นข้อเดียวทําไม่ล่วงละเมิดพุดทธธรรมสงฆ์ก็รวมมาเป็นอันเดียวถ้าไม่ล่วงละเมิดถ้าเขารับนับถือมารวมกันอยู่ที่ดวงกาของแต่และท่านแต่ละคนไมปที่ไหนก็ไม่หนัก พูดไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็มาหาผู้พูดมันก็มาหาผู้ฟังผู้ไม่ฟังมันก็มันก็ไปหาเหมือนกันวันนี้ใกลก้จะตายกว่าวั น, นวานนี้ใกลก้จะตายกว่าวังทิตอนเที่ยงนั่นเองหายใจเข้าข้างหนึ่งก็เป็นชาติหนึ่งแล้วหายใจออกข้างหนึ่งก็เป็นชาติหนึ่งแล้ว นึกคิดขึ้นคณะคิดหนึ่งก็เป็นชาติหนึ่งเหมือนกันเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่เนี่ยถ้าลืมพิจารณาธรรมะก็เรียกว่าตายจากธรรมะถ้าเวลาไหนไม่ลืมพิจารณาธรรมะก็เรียกว่าเกิดมาในธรรมะของพระพุทธศาสนาเวลาไหนลืมพิจารณาธรรมะก็เรียกว่าตายกากธรรมะ ถาอธิษฐานไหวก็แม่ตายและเลึกได้ไม่เลิกได้ก็ดีขอเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธพระธรรมอยู่ทุกประสงค์อยู่ทุกเมื่อขอเอาไปได้พึ่งที่ระลึกอยู่ทุกเมื่อเรียกว่าถ้าไม่ได้เลึกก็มีอยู่เพราะอธิษฐานไว้แล้วแต่จะหากินทางอธิษฐานไม่ทําเพิ่มก็ไม่ถูก จ, จะหากินแต่ทางคําสัตว์แต่ไม่ทําเพิ่มก็ไม่ถูกอธิษฐานก็อธิษฐาน เพื่อมาให้เขยไปทางอื่นตั้งสัตว์ไร่เฉยๆแต่ไม่ทาเพิ่มก็ไม่ได้อีกทำเพิ่มขึ้นที่ใจใจวันหนึ่งวันหนึ่งนึกในธรรมะอะไรบ้างนึกไปทางไหนบ้างขาดทุนสุนกาไรอะไรบ้างวันหนึ่งนึกภาวนาอะไรบ้างก็ต้องสอบถามตนเอง นึกเบียดเบียนตนและผู้อื่นอะไรบ้างนึกเมตตาสงสารตนและผู้อื่นอะไรบ้างนึกเป็นอารมณ์เบียดเบียนตนและผู้อื่นอะไรบ้างเป็นหน้าที่สติปัญญาจะตรวจดูของตนเทศไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็มาหาผู้เทศผู้ฟังในเองหรือจะให้พานั่งนั่งภาวนาหรือข้าจะนั้นก็เงียบภาวนาซะมีจะพูดไม่ภาวนา มันก็ไม่ได้เห็นอะไรชัดที่สกลร่ากายก็จับอันนั่นอยู่เรียกเอาผู้นั้นฟังเทศเป็นเรียกเอาผู้นั้นภาวนาความเคลื่อนไหวของกายของใจมีอะไรบ้างต้องการเห็นก็ต้องเห็นไม่ไหวแต่ไม่ต้องการต้องการเห็นลมเข้าลมออกก็ต้องเห็น กายเป็นแต่สักว่ากายใจเป็นแต่สักว่าใจดินเป็นแต่สักว่าดินน้ำเป็นแต่สักว่าน้ำไฟเป็นแต่สักว่าไฟลมเป็นแต่สักว่าลมกิเลสมันไม่อยู่เฉยเฉยไม่คว้าอันหนึ่งมันก็คว้าอันหนึ่งมาเป็นของมันสําคัญมากมันยืนยันว่าเป็นของมันหมดตามันก็ยืนยันว่าเป็นของมันหูมันก็ยืนยันว่าเป็นของมัน จมูกมันก็ยืนยันว่าเป็นของมันกิเลสนะ่งลิ้นมันก็ยืนยันว่าเป็นของมันกายมันก็ยืนยันว่าเป็นของมันใจมันก็ยืนยันว่าเป็นของมันไอ้กิเลสนะท่านผูพ้นไปแล้วท่านมายืนยันเมื่อท่านมายืนยันภาระของท่านก็เบาไปในตัวกินพอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน นอนพอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อนอนเดินพอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อเดินมีชีวิตพอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อจะเป็นเปรตเฝ้าชีวิตพอได้ปฏิบัติศีลธรรมเพื่อพนทุกข์เท่านั้นการดิ้นรนมีอยู่สองแผนดิ้นรนเพื่อพ้นทุกข์ดิ้นรนเพื่ออยู่ในโลกความสแสวงก็มีอยู่สองอย่าง แสวงเพื่ออยู่ในโลกแสวงเพื่อพ้นโลกความต้องการก็มีอยู่สองอย่างต้องการเพื่อจะอยู่ในโลกไปจนจากใดต้องการเพื่อจะปฏิบัติเพื่อชนะความหลงพูดไปไหนมันก็ไม่ไปมันวนเวียนอยู่ที่ตนเอง ศีลสมาธิปัญญามันจะมาพูดด้วยมรรคผลนไม่ได้มาพูดด้วยศีลดดเบื้องต้นสมาธิเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นก็พูดสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอิชีโวสมมาสติสมาสมาธิส่วนพระนพานไม่ได้มาพูดกับใครเลยไม่ได้มาฟังเสียงใครเลยเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ได้เคลื่อนหา ผูใดเลยพระนปาลอยู่คงที่ทรงอยู่มีอยู่ใครจะไปหาหรือไม่ไปหาเป็นเรื่องของผู้ไปและผู้ไม่ไปขณะจิตติเนึ่งขึ้นแล้วก็หายไปเหมือนลมพัดคืออั น, นจังอันละเอียดลมหายใจเข้าก็ล่วงไปลมหายใจออกก็ล่วงไปเสียงเข้าหูส่งลงถึงใจก็ล่วงไปก็มีแต่เกิดกับดับเท่านั้น พูดอยู่วันยังค่ําก็มีแต่เกิดกำดับเท่านั้นนึกอยู่วันยังค่ําก็มีแต่เกิดกำดับเท่านั้นนิ่งอยู่วันยังค่ําแต่ว่านิ่งแต่วาจาแต่จิตใจไม่นิ่งมันนึกอะไรอยู่อีกนึกขึ้นแล้วก็หายไปนึกขึ้นแล้วก็หายไปพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ผู้บฏิกรรมพุโทโธพุทโธก็เป็นอ น, นิจจังแต่คุณของพุโทโธไม่ได้เป็นอ น, นิจจังจริงอยู่ไม่มีกลางาวันกัางคืนธรรมโมก็เหมือนกัน สังคมก็เหมือนกันผู้ปฏิกรรมเกิดดับต่างหากผู้นึกคิดเกิดดับต่างหากพุทธธรรมสงฆ์จะนึกคิดหรือไม่นึกคิดก็ตามเป็นของที่มีพระคุณค่าอยู่ไม่มีประมาณด้วยไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้และไม่รู้อีกด้วยมรรคผลญพานก็อันเดียวกันพาร่างกระดูกมาเกิดในวัฏสงสารพาหนังห้องอยู่โดยรอบ ความเกิดแก่เก็บตายไม่ได้เป็นเงื่อนใหม่เป็นเงื่อนเก่าที่เคยเกิดแก่เก็บตายมาแล้วนั่นเองความดีใจเสียใจก็ไม่ใช่เงื่อนใหม่ก็เป็นเงื่อนเก่าที่เคยดีใจเสียใจมาแล้วนั่นเองผู้ประพฤติสินธรรมก็ไม่ใช่เงื่อนใหม่เป็นเงื่อนเก่าของสินของธรรมนั่นเองผู้พยายามเว้นก็เป็นของเก่าผู้ไม่เว้นก็เป็นของเก่าในทางที่ไม่ถูกผู้พยายามเว้นก็เป็นของเก่าเป็นตัวพยายามพิจารณาไป ไม่รู้ว่าจะไปเอาความถูกความผิดกับท่านผูใน้ใดใครก็เอากเกเลตมาเกิดด้วยใครไปไหนก็เอาไปด้วย ถ, ถ้ามีเกเลตถ้าผู้มมีกเกเลตไปไหนก็เอาสินเอาทำไปมรรคผลในพ่ยานไปอยู่ในโลกคอยเอาอะไรบ้างคอยเอาเก่เอาเก็บเอาตายหรือคอยเอามรรคผลในี่ยผ่านหวังอะไรบ้างหวังจะเอาอเน จ, จังมาเป็นสมบัติพัฒนา อันนี้จังภายในมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบก็จะแตกสลายอันนี้จังภายนอกคือสมบัติพิษฐานมีเสื่อผ้าผ่อนท่อนสบายหรือสมมติว่าสังหารจะมาทรัพย์อสังหารจะมาทรัพย์สิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจของอ น, นิจจังแปรปวนไม่มีอยู่กลางวันกลางคืนไม่ยอมว่าจะเป็นของผู้ใดดินน้ำไฟลมก็ไม่ยอมว่าจะเป็นของผู้ใด ผมขนและฟันนังเลือเองจะดูกก็เหมือนกันไม่ปฏิญญาว่าจะเป็นของผู้ใดไม่ปฏิญญาว่าจะเป็นของพยาคิตราสทำทั้งหลายก็ไม่เป็นปฏิญญาว่าจะเป็นของผู้นั้นผู้นี้เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลาคืนพิจารณาตามเป็นจริงลดพน้นจากความเข้าใจผิดตามเป็นจริงไม่เป็นชั่นๆ่นใครเป็นผู้ทุกข์ สังขารเป็นผู้ทุบใครเป็นผู้พูดวัชีสังขารเป็นผู้พูดจิตตาสังขารเป็นผู้นึกคิดขึ้นและมีกิเลสเข้าไปสิงจะถือเอาเป็นเจ้าของตัวกูของกูเป็นของสําคัญมากตัวข้าของข้าก็เป็นของสําคัญมากท่านผู้พ้นไปแล้วท่านข้ามภูเขาภูเราไปแล้วข้ามภูเขาด้วยปัญญาอันชัด ข้ามภูเราด้วยปัญญาอันชัดข้ามภูเขาภูเราได้ท่านก็ไปเป็นพระอรหารชะแต่พวกเราข้ามภูเขาภูเราไม่ได้ก็เป็นพุทธชนคนหนาอแย่งกันอยู่สู่กันจินอยู่นี่แหละควักตากันจินอยู่แย่งขี้กันจินอยู่เพราะยังไม่พ้นก็ต้องแย่งขี้กันจินลบลาข้าวฝันก็แย่งขี้กันเป็นจินทะเลาะวิวาดบาดหมาง ก, ก็แย่งขี้กัน กูได้กินน้อยมึงได้กินมากกูบริวารมากมึงมีวาบริวาร น, น้อยเพรแย่งชี้กันในวัดตาสงสารอันนี้แย่งไปแย่งมาก็ต่างคนต่างแบมือตายแย่งวัดแย่งวาแย่งญาติแย่งโยมแย่งพักแย่งพวกเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงสอนว่าอาวาสมัมชลิยตานีที่อยู่ กลมัชยริยตนีตะกูลลาภามันนมชยริยตนีลาภวันณะมัชยริยะตนีวันนะทธรรมมัชยริยะตนีธรรมไม่อยากสอนผู้ใดเกรงเขาจะทันตนเนี่ยความมัชฉริยห้าอาวาสมัชยริยตนีที่อยู่กุลมัชยริยตนีตะกูลไม่อยากให้ใครมาผัวพันกับตะกูลของตนเกรงเขาจะแย่งลาภไป วันนมัชย์ยะตนีวันณะห่วงสวยหวงงามห่วงไว้มันก็ไม่อยู่มันก็แก่ก็เก็บก็าตายแก้มตอบฟันหักเช่นหนังเป็นเกลียวราภัทริยะตนีราบธรรมมัฉริยะตนีธรรมไม่อยากสอนท่านผู้ใดเกรงเขาจะเหนือตนไปสังคมของโลกคืออะไรสังคมของโลกในพุทธศาสนาก็คือมีเส้นห้า สำหรับรักษาสังคมสังคมโลกมีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังมามากเป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีปัญญาจะปรึกษาสิ่งใดใคยๆก็ไม่ปรึกษาเพื่อเพื่อจะเบียดเป็นตนและผู้อื่นจะคิดสิ่งใดก็ไม่เชิดเพื่อจะเบียดเป็นตนแลผู้อื่นจะพูดสิ่งใดก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเป็นตนและผู้อื่น จะทําสิ่งใดก็แม่ทําเพื่อจะเบ็ยเบีนตนและผู้อื่นมีความเห็นชอบมีเห็นว่าทําดีได้ดีทําช่วยอะไรช่วยเป็นต้นให้ทานโดยเคารพคือเพื้อเพื่อแก่ของที่ตัวให้และผู้รับทานนั้นไม่ทําอาการบุทธิ์เที่ยงเสียคำสอนพระบรมศาสลาทั้งนั้นมีแต่เนื้อไม่มีกระดูกปกินหน ก, กะคือหมวดเบ็ดเตล็ดอุปกิณเหล็กคือเครื่องเศร้าหัวซงหก อ, อย่าง อภิชาวิสมาโลภะละโมบไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเร็งสองโทสะร้กาศสามโกตะโกดสี่อุปนาหะาผูกโกรธไว้ห้ามัคะลบหลูบ่บนคนท่านหกปราสะตีเสมอคือยกตนชำท่านเจ็ดอิจฉาริษยาเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไมมล่ะชิบสามมานะถือตัวสิบสี่อติมานะดูหมิ่นท่านชิบห้ามัทมะมัวเมาชิบหกประมาทเดินเล้อ มีตาภัยทั้งนั้นนี่อันนี้มีอยู่ในเราหรือไม่ก็ต่างคน ต, งต่างตรวจดูของตนชาตุกะ ก, กรมไมเคเลตคือกรรมเครื่องเศร้าหมองเสียปาราทิบาสทำชีวิตแทะทตกล่วงอธทินนาทานถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยกาเมสมิตรายการโดยเพืดผิดในกางสีมุสาวาธโทษเทศ กรรมสี่อย่างนี่นักปราชญ์ไม่สรรเสริญเลยอบายามุกคือเหตุเครื่องคิบหายหกอย่างดื่มน้าเมาเทียเท่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเลี่ยงการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเกียข้าศ์ทำงา น, งานคําสอนของพระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศาสอนมดไม่มีใครจะสอนเหนือพระบรมศาสด า, า, า, าไปเลยเล่มก้างท่านมาสอนกันทั้งนั้นแหละข้าพระเจ้าจําได้เท่านั้นข้าพรเจ้าจําได้แค่นี้เออข้าพรเจ้าสอบได้ปริญญาเอกปริญญาโท ปเรียนเอกปเรียนญาณโทนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกไอ้ที่แท้ก็เอาคําสอนของพระบรมศาสดามาเป็นของตัวมาเป็นสมบัติของตัวเรียกว่าเอาของเศรษฐีมาเป็นสมบัติของตัวไอ้ที่แท้ก็ยืมของเศรษฐีมาพระนุ่งะ้าห่มก็ยืมของเศรษฐีมาวัดว่าอารามก็ยืมของเศรษฐีมาอาศัย ยืมของพระสมัยพระพุทธเจ้ามาอาศัยเพราะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเศรษฐีจีวอนบินหนาบาทก็ยืมของพระสมัยพระพุทธเจ้ามาหาอยู่หากินแล้วก็สําคัญ่ะเป็นอํานาจวาจสนาของตัวพุต ธ, ธิวิหารสาราลงธรรมตลอดถึงไฟอะไรต่ออะไรสังหารีมาทรัพย์อสังหารีมาทรัพย์ยืมของพระบรมศาสตร์ธมาทางนั้นยืมของพระพุทธศาสนามา ถ้าถึงพระสวสดาบาลก็ได้ใช่นี่พระพุทธศาสนาบ้างถ้าถึงพระสกทาคามีก็ใช่นี่ไปอีกถ้าถึงพระอนาคามีก็ใช่นี่พระพุทธศาสนาไปอีกถ้าถึงพระละหันก็ใช่นี่พระพุทธศาสนาหมดแล้วใช่นี่กิเลสของตนหมดอีกเหมือนกันนั่นคนสมควรในทางพระพุทธศาสนาคือพระสวสดาบาลเป็นผู้สมควร พระจกกทาคามีพระอนาคามีพระรหันคนสมควรในทางพระพุทธศาสนาะสมควรกันในทางโลกของพวกเราสมควรทางกิเลสผู้ใดมีกิเลสมากก็ผู้นั้นเป็นผู้สมควรชนะหมู่แต่ว่าเวนก็สนองเวนเหมือนกันพระพุทธศาสนาะสอนให้ปลดอาวุธเราปลดอาวุธอะไรว่าต่างคนก็ต่างถามตนเอง ต่างถามตัวเองอาวุธโลภเราปลดได้ขนาดไหนอาวุธโกรธเราปลดได้ขนาดไหนอาวุธหลงเราปลดได้ขนาดไหนต่างคนก็ถางถามตนเองศีลค่า ย, ายกับนายข้างร้อยดอกไม้เพราะคนต่างชาติต่างภาษามาอยู่ด้วยกัน ถ้าไม่มีศีลเป็นเครื่องปกครองแล้วก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะต่างคนก็ต่างจะทําไปเหตฉะนั้นจึงมีทำเป็นเครื่องปกครองจึงยืนยันว่าทําเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้พูดวันยังค่ําก็ถูกวันยังค่ําพูดจนวันตายก็ถูกจนวันตายไม่พูดก็ถูกอยู่ไม่พูดอีกก็จริงอีกน่ ฝนไม่ตกตามและดูการพระพุทธศาสนาบอกว่าชาวโลกห่างเหินจากสินทำฝนก็ไม่ตกเทวบุตรเทวดาก็ไม่ส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าลมไม่พัดต้นไม้ไม่มีแต่ทางพุทธศาสนาบอกว่าคนห่างเหินออกจากสินรรมากออกจากานวัตรศีลวัตรภาวนาวัตร ออกากาพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ฝนก็ไม่ตกไม่อํานวยไม่ถูกระดูการหน้าใครน้าเท่านั้นตัวเท่านี้ตัวมันเป็นเสยศาสตร์อันนั้นไม่ใช่พุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ไม่ได้มีอันนั้นเป็นเสยศาสตร์เป็นศาสนาพราหมณ์อันนั้นตัวของนาามันก็อยู่ใต้อํานาจกรรมและผลของกรรมเหมือนกันน้าใครนัหน้ามเท่านั้นตัวเท่านี้ตัวก็บอก ตามบาลีบอกตามศยศาสตร์บอกตามศ า, ตามสต์สนาพราหมณ์กรรมและผลของกรรมเป็นเบี้ยบำเน็ตบำนานของสัตว์อยู่ทุกอิริยาบถของใจนึกไปทางไหนผลของใจก็ตามมาทางนั้นนึกไปทางดีผลของใจก็ตามมาดีนึกไปทางชั่วผลของใจก็ตามมาชั่วจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหา พระเวเนยมีอยู่สองข้อมีนิหะมีปคหะถ้าทำสองประการไม่มีอยู่ในสังคมใดแล้วสังคมนั้นก็ปกครองกันไม่อยู่นิหะคือข่มในการที่ไม่ถูกตอนไหนที่ไม่ถูกก็ขม่มหมายความว่าไม่ส่งเสริมเรียกว่าขม่มตอนไหนถูกก็อนุโมทนาเรียกว่าปักฆะถ้าขาดทำสองประการนี้แล้วปกครองกันไม่อยู่ ต้องลงโทษกันตามโทรสานุโทษต้องให้คะแนนตอนไหนถูกก็ให้คะแนนตอนไหนผิดก็บอกว่าผิดมิตร ด, ดีสหายดีพ่อดีแม่ดีตอนไหนทำถูกก็ส่งเสริมตอนไหนทำชั่วก็กีดกันไม่ใช่ว่าจะทำดีก็ค่อยตามจะทำชั่วก็ค่อยตามต่อหน้าก็ว่าสารเสืญรับหลังก็ตั้งนินทาไม่มีในคำสอนของพุทธศาสนา เข้าภรรษาปีหนึ่งพระชา พ, พระวัคทีตั้งกฎขึ้นว่าผมจะดีก็เป็นเรื่องของผมผมจะชั่วก็เป็นเรื่องของผมพวกท่านก็เหมือนกันอย่าไปว่าให้กันเลยต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องพูดกันละพวกเรานิ่งใครนิ่งมันไม่ต้องเตือนกันราชช่างชีดีท่างพรามเถิดพระบรมศาสด า, าได้ทราบเข้าประชุมสง์ พระบรมศาสดาทรงประชุมสงฆ์แล้เทศว่าศาสนาของเราจะเจริญเนื่องด้วยเตือนกันเหตุฉนั้นจึงมีปรวาลนาในมหาปรวาลนาออกพรรษาทิศเถรวาสุเตนวาได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้สงสัยได้ดังเกียรก็ดีปฏิสังขายยาหรือสงสัยก็ดีพะดันตมังอายะมันโตอนุกำปังโฎาอุปาไดะ จงทรงโปรดอนุเคราะห์ตักเตือนบ้างแต่เราตักเตือนกันก็โกรธมันไม่ถูกมันไม่ถูกกับคำสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันประมหาปวารณาจะอยู่ใครอยู่มันมันไม่เจริญศาสนาของเราเจริญก็พะชักชวนกันสิ่งไหนที่ควรตีเตียนก็ตีเตียนสิ่งไหนที่ควรทร ง, งสรรเสริญก็ทรงสนรเสริญ ไม่ให้เป็นฝ่ายคัดค้านหน้าเดียวไม่เป็นฝ่ายอนุโมทนาหน้าเดียวถ้าทำไม่ถูกก็มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านได้ถ้าทำถูกก็มีสิทธิ์ที่จะอนุโมทนาได้แต่อนุโมทนาตามดิงนี่ไม่ได้เอากิเลสมาอนุโมทนาไม่เอาไม่เอากิเลสมา ต, ติเตียนไม่เหมาะสมกับทำข้อนั้นไม่เหมาะสมกับทำข้อนี้ก็เอาอันนี้เป็นเครื่องวัดแเอาดิง คือคอําสอนพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องวัดของชาวโลกแล้วผู้บัญญัติบาปบุญคุณโทษก็เป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสคือพระสมานทั้งพุทธเจ้าไม่มีใครจะบัญญัติบาปบุญคุณโทษเท่าพระสมานทั้งพุทธเจ้าถูกดอกพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็เหมือนกันมาตรงกันเลยเพราะเป็นพระบรมศาสราเต็มภูมิเสมอกันหมดจะมาคนละยุคละยุคก็าตามไม่ได้ลบล้างพอรอบอเลย จึงทรงพระนามว่าศรัทธาเทวมนุษย์สางเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอนุตตรังพุญยักเขตตังโลกัตสาเติพระสงฆ์เป็นนาบุญของโลกไม่มีดาบุญอื่นยิ่งไปกว่านี่หมายความว่าพระสงฆ์อยู่ในศีลในธรรมไม่ใช่พระสงฆ์อยู่นอกศีลนอกธรรมพระสงฆ์ในที่นี้หมายเอาพระสวสดาบาลเป็นต้นไป ตามก่อนั้นลงมาไม่นับเข้าบัญชีเลยพระพุทธศาสนาพระบรมศาสตาที่ว่าเป็นเขตบุญของโลกก็นับเอาแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปจนถึงพระรหัน์สุปฏิปันโนพระกวัโตสาวกะสังโคพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเก้านั้นคือพระโสดาปฏิมักพระโสดาปฏิผลอุชุปฏิปันโนพระกวัโตสาวกะสังโคพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเก้านั้น คือพระจักกทาคาเมมัคจักกทาคายผลยายะปฏจปโนพระกวัตโตเศร้าวกสร้างโคระสง์สาววของพระพุทธมีพระเจ้านั้นคือพระอนาคาเมมัคพระอนาคายผลสามีจิปเจปโนพระกวัโตเศ้าวกสร้างโคระสง์สาววของพระพุทธมีพระภาคเจ้านั้นคือพระอนาหัตตะมัคอนาหัตตผล เอสาภคะวะโตสาวะาสังโคนี่เนอสาวกของพระบรมิทภาคเจ้าอาหเนยโยปาหเนยโยทักเคนยโยอัญชลีกาลเนยโยอนุตรังปุญญะเขตตังโลกัตสาติเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของบูชาเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรกราบไหว้ผู้ไหว้ไม่ต้องกระดากเป็นเขตบุญของโลกไม่มีเขตอื่นยิ่งไปกว่า อนุตรังผุยักเขตตังโล ก, กัตสาติถ้าไปบอกเลขบอกผาเนาี่ยมันจะเป็นเขตบุญของโลกมาจากประตูไหนอนุตรังปาปะเขตตังโล ก, กัตสาติเป็นเขตบาปของโลกเท่านั้นเองนั่นผู้ที่จะทําให้พระพุทธศาสนาเจริญก็มีจําพวกสี่คนสี่จำพว ก, พวกแต่ก่อนก็ภิกษุ ภิกษณุณีอุบาสกอุบาสิกามาวัดนี้นางภิกษุณีไม่มีใช่แล้วก็ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาจะทําให้ศาสนาเจริญอยู่ที่ดวงใจของใครของมันพร้อมทั้งสามัคคีก็ดีผู้ที่จะทําให้เสื่อมออกกากดวงใจของใครของมันและออกกากสังคมก็คือพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกานั่นเองนั่น ปายชีแท้พระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมไปไหนแต่ผู้ปฏิบัติเสื่อมนี้จากพระพุทธศาสนาต่างหากอาบายมกทุกประเภทมันเป็นเครื่องทําลายพระพุทธศาสนาหมดกีดขวางพระพุทธศาสนากีดขวางมผลรคพลานด้วยกีดขวางสติปัญญาด้วยไม่สามารถให้สติปัญญาเคลื่อนที่ได้ไปหาสูงสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบก็เห็นชอบในอบ า, ายามุกซะสัมมาสังกปรก็ดำลิแต่อบ า, ายามุกซะสัมมาวายกาก็ชักชวนกันไปเล่นแต่อบ า, ายามุกซะสัมมากรรมโตก็เอาการงานอันนั้นเป็นงานซะเชื่อไปวุ่นพระสำนักนั่นสำนักนี้คนที่มาในวัดไม่ใช่คนโงโงงคนชั้นสูงสำคัญมาก พอที่จะพอกินพอทานไหมพอที่จะครบไหมพอที่จะครบเราก็จะครบไม่พอที่จะครบเราก็เรียนวิชาถอยหลังนะคนชั้นนี้สำคัญมากคนชั้นหนึ่งอีกเห็นเขาไปก็ไปด้วยเขาเห็นเข้ามาก็มาด้วยเขาไม่สนใจอะไรอันนั้นก็เป็นชั้นหนึ่งเอกนะชั้นหนึ่งเีกเห็นเพื่อนไปก็ผสมไปบ้าง บางทีจะไปผูกเอาแลกบ้างอันนี้พวกนี่ก็พวกหนึ่งองีกไจะพวกหนึ่งได้เรียนว่าลีาชาปากวดแทะเราไปดูดูจะขนาดไหนอย่างนั้นก็มีก็มีพระองค์หนึ่งบวชมาลาเท้าไปแล้วไม่ออกชื่อลือนามดอกแต่ว่าสนิทกับเราแต่เรียนสูงพอสมควรเราก็ดับใจแจ่ พักอนิสัยของคุณนั้นผมรู้ดีแล้วคุณสะพายบาตรไปเที่ยวดูคนในไต้ลกกะท่าเชียงใหม่คุณก็ไปภาคใต้คุณก็ไปภาคเหนือคุณก็ไปหมดคุณสะพายบาตรไปดูสังคมไหนว่ า, า จ, จะเท่ากูไหมถ้าไม่เท่ากูแล้วก็ไปสังคมอื่นอีกเท่าสำนักนี่ก็ไม่เท่ากูสำนักนั้นก็ไม่เท่ากู ไปที่ไหนก็ไม่เท่ากูไปที่ไหนก็ไม่เท่ากูเดี๋ยวก็ทิ้งถ้ า, าสวาพัฒเพราะเราไปเที่ยวดูคนให้เสมอตนเราไม่มีข้อวัดข้อวัดของเราก็เสียไปไปเที่ยวไปไปเที่ยวเทียบคนดูกับเจ้าของหมดเวลาส่วนเจ้าของไม่ได้เดินตรงตรงกรมภาวนาะไปเที่ยวหาเที่ยวหาสะพายบาตเพ่งโทษท่านผู้อื่น ถ้าหมดกำลังแล้วก็ทิ้งบาททิ้งผ้าถูกไหมผมพูดกับท่านผมรู้จักนิสัยของท่านก้าวหัวทีตนไม่มีอะไรตนเสื่อมไม่มีอะไรเขาเสื่อมเขาเดินโยกมภาวนาอยู่เขามีเครื่องอยู่เธอเสื่อมไม่มีเครื่องอยู่เนอไปเที่ยวเพ่งโทษคนจะพายบาดไปเที่ยวเพ่งโทษคนวัดนี่ก็ไม่ดีเหมือนเราวัดนี่ก็ไม่ดีเหมือนเราวัดนี่ก็ไม่ดีเหมือนเรา ต้นไม่มีอะไรไปเที่ยวเพ่งโทษคนอื่นคนพานย่อเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลังมันมีในภาสิตว้นไม่นานเดียวผมก็เห็นท่านราเชกขาดอกพอสองปีเข้ามาเน้วยลาเชกขาเลยนั่นเห็นไหมลาเชกขาแล้วกะเราไปออกชื่อเสียงดอกแล้วไปเอายืมเอาเงินสงไปค่าทีนี่เจ็ดร้อยบาท ยังมมนได้ใช่สงเลยตายคากันนั่นพวกที่ลือชาปรากฏว่าภาวนาดีๆนั่นเองเที่ยวเก่งๆนั่นเองเที่ยวมันมีสองเที่ยวบางท่านไปเที่ยวเที่ไหนก็ไม่ถูกกับใจเราก็ได้ลวงไปเออ สำหรับท่านดีขนาดนี้เกินถ้าไปอยู่กับองค์หลวง ป, ปู่มหาบัวแล้วถ้ามาได้เทศดอกพ่อท่านประพฤติดีสมควรหลอกไปทีนี้หลอกไปพอเข้าไปหาสำนักขององค์หลวง ป, ปู่แล้วก็นิ่งเลยกระดิกไม่ได้นั่นสวำหน้ามัน <laughs> ที่ไหนเข่งเขงแล้วก็บอกแค่ไป แต่แม่พอสามสี่วันหาเรื่องแล้วอ่อากาศไม่ดีอากาศไม่ถูกกับกับข้าไปเลยนั่นผู้ใดจะไปอยู่กับหลวงปู่มัน่นยอมเป็นเขียงเช็ดเท่าให้ท่านสะถ้าจะไปให้ท่านให้คะแนนเราไม่ได้ต้องยอมให้เป็นเขียงเช็ดเท่าเลยไม่ดีตอนไหนก็ให้เขก ตอหน้าญาติโยม ก, ก็ตามครับถึงขนาดนั้นจึงรับเนอหลวงปู่มั่นไม่ใช่ของง่ายๆเนอไม่เหมือนพวกเราทีนี้พอปวาวนาแล้วก็เถิดนะทีนี้มันจะจริงไหมมันปราวนาเราอย่างนั้นเราจะลองมันดูเงเพีย ง, เ พ, ยงเพียงเลยละมีหน้าที่ก็ทํทำทีนี้เราปีที่สองที่สามที่สี่มาก็เงียบปีที่แรกต้องเพียงเลยละ หลวงปู่มาหาก็เหมือนกันเรามาภูเก็ตเรามาจากภูเก็ตเรามีสมณเณรองค์หนึ่งมาด้วยแล้วก็พูดว่าสมณเณรองค์นี้อยากจะมาปฏิบัติกับองค์หลวงปู่พ่อได้ยินแต่ชื่อลือนามแล้วก็อยากมากับผมก็ไม่ได้ชวนสมณเณรดอกเพราะทำเนียมหลวงปู่มั่นจะเข้าไปหาองค์ท่านจะชวนเพื่อนไปไม่ได้ ถ้าไปฟังเทศเฉยๆนั่นได้ถ้าหวังจะไปอยู่ชวนเพื่อนไปไม่ได้หลวงปู่มหาก็เหมือนกันต้องไปคนเดียวแสดงความเด็ดเดียวเพราะในคำพีวิสุทธิมัตมีถ้าจะไปอยู่กับท่านองค์ไหนก็ต้องไปคนเดียวอย่าเอาเพื่อนไปด้วยถ้าเอาเพื่อนไปด้วย ท, ทําท่าทําทางเป็นหัวหน้าต้องมีสมเด็ไปใช่ด้วยท่านพูดอย่างนี้ในคมพีวิสุทธิมัตท่านเห็นไหม ถ้าจะไปศึกษาหรือปััชนาหรือสมถธกับครูบาอาจารย์องค์ไหนอย่านำลูกศิษย์ไปด้วยเว้นไว้แต่ลดไปฟังเทศล้วก็จะยนี้ไปถ้าไปหวังเอูอด้วยอย่านำไปด้วยมันมีอยู่ในคำพิบูลสุติมัตถถ้าไปแล้วก็จงจงไปถามน้าล่างเท่านี่ยองค์พระอาจารย์ตักมาหรือไม่ถ้าองค์พระอาจารย์ตักมาก็ขอโอกาสจะล่างเท่า ถ้ามาอย่างนั้นแล้วสมาธิสมาบัติไม่ขึ้นท่านอาจารย์ผู้ฉลาดพอเข้ามาเขามองดูหน้าร่างเท้าเออไม่ใช่เราตักมาหรอกถึงเราตักมาก็ตามเธอจ้องร่างสบายเถิดก็ไม่ก็พ้นจากอาวัตถ้าท่านไม่พูดอย่างนั้นต้องถามเชียก่อนเพราะบางทีท่านตักมาเราไปร่างเท่าเราสมาธิสมาบัติไม่ขึ้นนั่นแต่วิัยจาพวกมูนี่มันหายไปแล้ว มันไม่มีใช่แล้วทุกวันนี่เออลำบากเหมือนกันพูดน้อยก็ไม่พออธิบายพูดหลายก็บ้าใส่ไม่โทรอีกใส่ไม่เล็กเกบอีก <c oughs> ถ้าไม่พูดก็ไม่ได้ยินขนาดนั้นสมัยสมัยดูกคำหลวงปู่มันไม่ใช่ของงา่ายเนอะหือ <c oughs> <c oughs> แจกฮั่นซันบอโอ้เอาแล้วนอซัมนอข้กเลือกไปตัวอะไรนอซัหนอยะถาวาริวาาปุราปนิปุเรนทิสาคลังเอวเมวอีตูตินังเปตารังอุปกาปฏิอจิตตังปจิตตังตูมางคิปเมวัสสเมชตูสเพปูเรนทูสังกปาจันโทปนารโสยะถา มณีโชติเดโสยัาตาพีตโยเวัจจันตุสัพเพทุโภตพปะโยตุปโรโควนรสตุตุมาเตภวัตตวันตราโยสุขีตีคาโยโกพระอภิวาทนาสีนิสานิจังุตตาปิจายนูจัตตารธรมาวันติงายุวันูสุขังพระลังระข่มเปื่อยควมเน่าเมื่อล่งจากธรรมตกายพี่น่าเอา ความตายกับวิโลกจากธรรมะตายความแก่กับวิลกจากธรรมะกายความเก็บกับวิโลกจากธรรมะกายความตายจากเศร้าสายยปที่องกับวิลกจากธรรมะกายล้วฟังเนื้อหน้ามือนี่แล้วฟังเทศเลเที่ยวไม่้พูดถามที่ว่างนด้นะเที่ยวพูดตะก้อได้กินที่แตกเนี่ยเที่เขาว่างเตอบเขาอย่งไรฮะได้พระพูดประทัมพระสง์กัว่างสั่งเ้ยพระพูดพระทับประสงค์จอะก็ยุ่หัวใจนี่ก็ว่างสั่ยอืม ก็ได้บุญนะสนะบุญก็ใช้ไปตัวยังไงก็ระตัวจังใจนี่ก็ว่าใั่แล้วไงอย่าสงี้าอย่างงี้เจ้าบ่านี่ใจบ่สันกิด้สั่งไปย่งนพักกันสั้นซะอันน้นเาหมมึงนะพักันสั้นซะ